บราณท่านว่าไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแต่งอันนี้ควรคิดควรพิจารณาอันไก่นั้นถ้าลกขนมันออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยถ้าว่าขนมันยังมีอยู่ มันรักษาขนมันให้เรียบเรียบดีอยู่เนี่ยมันก็สวยงามน่าดูนั่นถ้าไก่ตัวใดมันไม่ค่อยรักษาขนของมัน <c oughs> ให้ดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขนขนมันยุ่งเหยิงอย่างนี้นะมันก็ไม่น่าดูไก่ตัวนั้นนะทันใดคนเราก็เป็นอย่างนั้น คนเราจะมองดูกันด้วยความพอใจในความประพฤติของกันและกันได้ก็เพราะอาศัยต่างคนต่างทำความดีต่างคนต่างพยายามชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปโทษมนทินต่างๆ คนเรานะเมื่อบาปอากุศลมันส ง, งบลงไปแล้วอาการกายวาจาใจในก็พลอยส ง, งบไปตามกันเพราะเรื่องบุญเรื่องกุศลมันเป็นเรื่องเย็นเป็นของเย็นเป็นของส ง, งบตรงกันข้ามกับเรื่องบาปอากุศลเป็นของร้อนเป็นเรื่องวุ่นวายไม่ส ง, งบ นี่เรื่องใครอยากรู้จักบาปและบุญนะ่ะมันไม่ใช่ยากอะไรอะ่ะก็ต้องดูกายดูจิตใจตัวเองนั่น <c oughs> ถ้าใจเร่าร้อนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่เป็นอันสงบเยือเกเย็นได้นั่นแหละมันมีบาปรบ ก, กวนอยู่ภายในจิตใจนั่นนะ ถ้าผู้ใดภาวนามองเห็นใจตัวเองมันเยือกเย็นอยู่มันตั้งมั่นอยู่พรอสงควรถึงแม้ว่ามันจะคิดมันก็คิดไปในทางศีลทางธรรมคนคนใจบุญนะเช่นคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์คิดถึง ความดีที่ตนกระทามาเป็นอารมณ์นี่ถ้าว่ามันคิดอยู่ตามเรื่องความดีต่างๆหมู่นี้แล้วก็ไม่จัดว่าความพิดนั้นความคิดนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อตอนเองมันก็พออยู่ไปได้ถ้าผูใ้ใดประค อ, องจิตของตนให้ดำริตองอยู่ในคุณ พรรตนาไกลและคุณสินคุณทานการกุศลต่างๆหมู่เนี้ยอีกอย่างหนึง่งก็มานึกถึงชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนความตายเป็นของแน่อมานึกถึงชีวิตนี้เป็นอารมณ์อย่างนี้เสมอๆไปมันก็จะเป็นอุบาย สอนใจไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในเร ah, oh. ื่องที่ไม่เป anyway> ็นสารประโยชน์อันใดเพราะว่าเมื่อมานึกถึงชีวิตนี้เข้าไปแล้วอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็ไม่ทราบว่าจะเพลิดเพลินมัวเมาไปเอาอะไรในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่แล้ว จะเป็นรูปตัวเองก็ดีรูปคนอื่นก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยอยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไปมันก็ทุดโทมไปอยู่เนี่ยลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็ปรากฏเรื่อยไป <c oughs> และอย่างนี้ พูดถึงความตายอย่างนี้มันก็แน่ตั้งร้อยเปอร์เซนต์เลยความตายเนะี่ยมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของชีวิตแน่นอนเลยแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันถังไม่หวนนึกถึงความตายมาเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงความตายแล้วมันจะไม่ได้เพลิดเพลินมัวเมา ก็เลยไม่ต้องนึกถึงแหละความตายถ้าผู้ที่เห็นทุกข์เข็นภัยในสงสารแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งนึกถึงความตายบ่อยๆแหละเพื่อเตือนตนมาให้ประมาทเมื่อนึกถึงความตายแล้วก็หมายความว่านึกถึงความพลัดภากจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียว <c oughs> ถ้ามันนึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตใจที่มันเคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเคยเพลิดเพลินไปต่งตางๆแต่ก่อนมานั้นมันก็สงบลงได้เพราะมันมองเห็นนี่มองเห็นด้วยใจแท้ๆมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอัน เป็นแก่นเป็นสารในอัตภาพร่างกายอันนี้นะ <c oughs> ล้วไม่ทราบว่าจะห่วงจะห่วงไปทำไมอะไม่ทราบว่าจะหลงเพลินเมาไปเอาอะไรอะ่ะเพลินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรอะ่ะ <c oughs> มีแต่ใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปเปล่าเปล่าไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวได้แต่ความเศร้าหมองใจอย่างว่านันเนี่ย <c oughs> เมื่อพอได้ร <monastery> <c oughs> like ู้อย่างนี้แล้วก็มาเพียรชาระใจนี่ให้มันผ่องใสสะอาดไปเรื่อยๆเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไรต่อไปแล้วบนี้ก็มาปรับปรุงใจนี่แหละให้มันตั้งมั่นลงไป เพราะว่าใจดวงนี้สามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้ถึงมันจะไม่มีรูปร่างก็ตามแต่มันก็มีอิทธิพล <Okay. S 1> เมื่อได้มาอาศัยร่างกายอันนี้แล้วถ้าหากว่ามันถูกกิเลสตัณหาครอบงำอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจาทำบาปทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ แต่ถ้าว่าจิตนี่ได้รับการอบรมให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี่แล้วมันก็สามารถใช้กายวาจานี่ทำดีพูดดีได้สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับสามารถละอาสวะกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้ได้ นี่แหะเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตนี้ถึงแม้จะไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆแต่มันก็มีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเลยแต่อิทธิพลเหล่านี้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกต้องเข้ามาประกอบด้วยเออถ้ า, าว่าใจนี้ไม่ฉลาด มันได้รับสัมผัสจา ก, กรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั่นแล้วมันก็สร้างความโลภ ค, ความโกรธความหลงอะไรขึ้นในใจนี่เมื่อสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจมั่งมากเข้าไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็บันดาลให้คนเราทําบาปฆ่าสัตว์บัางรักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกรรมบ้าง กล่าวมุสาวาทบังดื่มสุราเมลยัยเครื่องดองของเมาของเสพติดโทษต่างๆบ้างนี่กิเลสเหล่านี้แหละเมื่อสะสมให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันวันดานให้คนเราทำบาปสั่งสมบาปกรรมความชั่วต่างๆใส่ตัวเอง <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ละเมิด ในพุทธบัญญัติต่างๆไม่กลัวต่อบาปกรรมความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะว่าจิตใจมันถูกกิเลสครอบงํากิเลสนี่มันมันจะบันดาลให้จิตนี้ไม่กลัวบาปบันดาลไม่ให้เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลนเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นมันยังทําบาปได้ ถึงได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เพราะมันไม่กลัวบาปนั่นเองแหละบันนี้เมื่อบุคคลมาเพิกถอนกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากดวงจิตแล้วจิตใจนี่มันอ่อนน้อมลงสู่บุญสู่คุณอันประเสริฐนั่นแล้วนั่นแหละมันมันจะบุญคุณเหล่านั้นแหละจะดนบันดาลให้จิตนี่เกิดความกลัวบาปกรรม ความชั่วที่ทําลงไปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อคนที่กลัวบาปกลัวกรรมนี่คนบุญนะคนมีบุญเพิ่งเข้าใจคนไม่กลัวบาปกลัวกรรมเวรต่างๆม า, านี่คนไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นทุกคนให้สํารวจตรวจ ด, ดูจิตใจของตัวเองว่าเป็นยังไงอ่ะ จิตใจของตนเองนี่มันกลัวบาปกำเวรไหมหรือไม่กลัวนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องรู้เองแหละจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลย <c oughs> ถ้ารู้ว่ามันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนประมาทในพุทธศาสนานี่คนที่ไม่กลัวบาปกรำเวร น, นั่นแหละพระศ า, าสดาทรงตรัสว่าเป็นคน ตั้งอยู่ในความประมาท hmm. ปะมะตายธรมตา hmm. คนผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้ว hmm. นั่นแหละ <c oughs> หมายความว่าคนผู้ประมาทนี่ถึงแม้จะมีชีวิตเป็นอยู่แต่ก็ไม่ได้ทําความดีอะไรให้แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นผู้ตายจาก กุศลคุณงามความดีต่างๆเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าคนผู้ประมาทแล้วก็เหมือนกับคนตายแล้วนั่นนะคนตายไปแล้วไม่ได้ทําความดีอะไรอ่ะนั่นแหละอันนี้คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ทําความดีอะไรมันก็ไม่ได้ความสุขอะไรติดตัวไปนั่นแหละมันท่านจึงเปรียบไว้เหมือนกับคนตายแล้วนั่นเองนะดังนั้นผู้ใด มาคิดดูชีวิตนี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนความตายเป็นของแน่นอน เ, อเมื่อตายไปแล้วผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีมีความสุขเป็นผลผู้ใดทำความชั่วก็ยอ่ยอมได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผลติดตัวไป นี่เมื่อคนเราตายลงแล้วจิตใจนี่มันจะต้องเบนไปสองทางนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าผูใ้ใดฝึกทนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่แน่นอนแหละตายลงไปแล้วก็บุญกุศลนี่มันก็เป็นยานพาหนะรองรับดวงจิตนี่ไปนี่พูดถึงคนที่ยังไม่ทิ้นกิเลส ยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็จำเป็นต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปอันท่านพูดสิ้นกิเลสแล้วก็มันไม่มีเรื่องที่จะพูดอะไรมากมายดอกที่เราพูดกันมากอยู่นี่มันก็พูดเรื่องของคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสนั่นเอง <c oughs> พูดชักชวนเพื่อให้เห็นโทษของกิเลส เมื่อเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ชักชวนให้ละกิเลสนั้นเสียอย่าได้พยายามสะสมกิเลสเหล่านั้นไว้ในใจนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดเระนั้นถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะฝึกตนปฏิบัติตนละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจตัวเองได้ ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมทำตา ม, มไม่เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ด้วยปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปกรรมความชั่วเหล่านี้นะเป็นเหตให บุคคลได้เสวยทุกขไปในสงสารอันนี้คนผู้มืดมนอนทกการแล้วไม่ค่อยเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงไม่เพียรละความชั่วออกจากตัวคนที่มีบุญวาสนาบา ร, รมีที่ตนได้อบรมสั่งสมมาแต่ก่อนบ้างแล้วก็มาสั่งสมเอาในปัจจุบันี้บ้างด้วยอำนาจบุญญาบา ร, รมีเหล่านี้นะมันก็มาโดนจิตดนใจ ให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสแล้วมันจะไม่นิ่งนอนใจแหละคนเราแต่ต้องขมักเมันทาความเพียรละกิเลสไปเรื่อยๆอธิษฐานในใจลงไปว่าเราจะไม่สั่งสมกิเลสต่อไปแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะตัด การรานกิ่งของมันออกไปเรื่อยๆแหละอันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วถึงมันจะยังมีอยู่แต่หาว่าเผลอตัวแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นรู้ตัวแล้วเราจะกําหนดละเราจะไม่สั่งสมมันต่อไปก็ต้องอธิษฐานในใจไวอ้อย่างนี้สําหรับผู้ที่เห็นโทษของกิเลส mm hmm. เมื่อได้อธิษฐานใจไวอ้อย่างนี้แล้วมันก็สังวรระวังแหละแบบนี้นะคอยระวัง ไม่เผลอแต่ถ้ามันเหลือระวังเผลอไปแล้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาเวลาไหนรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันไปสอนใจตัวเองไปจนว่าใจมันละอารมณ์มันนั้นได้นี่สำหรับผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็จะต้องมีความภาคเพียรพยายามสำรวมใจตัวเองอยู่อย่างนี้แหละ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน <c oughs> นี่กะหวังว่าผู้ฟังทั้งหลายคงจะพอเข้าใจได้ไม่ใช่หรือที่พูดให้ฟังเนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจตามที่แนะนำนี้ได้ก็นับว่าเป็นผู้หนามากทีเดียวเป็นผู้มีกิเลสหนามาก <c oughs> ก็คนเราที่มันจะได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะอะไรแล้วเคยทบทวนดูบ้างไหมนี่ก็เพราะความโลภเกิดขึ้นมาแล้วตนเองแต่ชาติก่อนนั้นเกาะหมัวเมาประมาทไม่ได้ทำความดีมากทำแต่นิดหน่อย เมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรเพราะว่าบุญตัวมันน้อยก็ได้รับความสุขนิดนิดหน่อยหน่อยเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขมากมีสมบัติมากก็อยากได้อยากได้อย่างรุนแรงจนถึงกับวางแผนจี้พล้นหรือว่าหลอกลวงต้มตุนเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตนนี่แหละ กิเลสนะเมื่อสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็บรรดาให้คนเราทำบาปอย่างว่านี่นะแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่นึกว่าเป็นบาปหรอกหรือเมื่อมันนึกว่าเป็นบาปก็ยอมรับบาปนั้นมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็ยอมไปนี่คนผู้หนาไปโดยกิเลสแล้วมันมันยอมหมดบาปกรรมมันจะแต่งทุกข์ให้อย่างไรก็ยอมรับยอมเสวยไปหมด ซึงกรงกันข้ามกับนักปรารถ์นักปรารถ์นั้นแม้บาปน้อยหนึ่งก็ไม่ต้องการแต่ว่าเผลอบาปมันเกิดขึ้นในใจน้อยหนึ่งก็นึกเสียใจติตนเองเตือนตนเองไม่ให้ประมาทไม่ให้สะสมกิเลสอันนั้นให้เจริญไว้ เ, เจริญงอกงามขึ้นต่อไปนี่วิสัยของนักปรารถ์เป็นอย่างนั้น ไม่ถึงก็ว่ากิเลสหยาบๆอะไรเกิดขึ้นดอกแม้กิเลสบาปประทำน้อยหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้ตัวได้าำนิตนเองผู้เป็นเช่นนั้นแหละสามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงกิจนี้ได้มากทีเดียวอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการภาวนาการเจริญวิปัสสนาอันนี้ก็เพื่ออะไรล่ะ ก็เพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไว้ในใจของตนแล้วเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงตนหรือว่าตนพลังเผลอไปรู้ตัวแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสอนใจให้มันเห็นโทษของกิเลสบาปรธรรมเหล่านั้นสอนใจให้ละมันไม่ให้ชื่นชมยินดีกับกิเลสบาปรธรรมต่างๆ การที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็อาศัยปัญญานี่แหละมาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้ามันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจคนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วแล้วไม่เอาไม่เอาใช้มันก็เหมือนอย่างบุคคลมีดาบอยู่ในตัวอยู่ในฝักเมื่อฆ่าศึกอยูโจมมาก็ไม่ถอดดาบออกฟ้องกันตัว ถ้าถือมันก็ได้โอกาสทำลายชีวิตของตนให้ย่อยยับไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามมากระทบกระทั่งเข้าหรือเวลาเผอกรีเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาปัญญามาสอนใจตัวเองได้กีเลสมันก็ครอบงำจิต ให้มืดมนมัวเมาเหมือนเดิมมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นนะให้พึ่งพากันสำรวมงานความรู้อันนี้ไว้ให้ได้เมื่อเราภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาในสังขาร น, นามรูปต่างๆเหล่านี้แล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปณนิชสุขขุมอะไร ก็เพ่งดูจนให้หมดสิ้นเลยเห็นว่าเป็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วแปร่พูนแตกดับไปเป็นธรรมดารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอๆไปนี่จึงเรียกว่ายานะสังวรนะแปลว่าเป็นผู้สำรวมในยานความรู้อย่าให้มันเสื่อม ถ้าว่าปล่อยให้ความรู้อันนี้มันเสื่อมไปแล้วก็กรักษาความจริงไว้ไม่ได้เลยก็มีแต่เรื่องไม่จริงแล้วมันจะเกิดขึ้นในใจแบบนี้นั่นแหละเรื่องเรื่องไม่จริงก็คือกิเลสตั้งเองเลยมันมีมายามันหลอกใจให้หลงไปตามมันหลงรักหลงชังไปหลงเศร้าโศกเสียใจไป มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็เสียใจเศร้าโศกหรือว่าโกรธเคียดคุณเ ค, คืองในใจไม่สามารถที่จะละอารมณ์เหล่านั้นได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ประมาทฉะนั้นทุกคนให้พึ่งสำรวมงานความรู้ความเข้าใจที่ตนได้กลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดี อย่าให้ยานความรู้อันนี้มันเสื่อมไปจากดวงจิตนี่แต่คนส่วนมากมันมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะส่วนมากไม่สามารถที่จะรักษาญาณความรู้นี้ไว้ในตนได้ <c oughs> ปล่อยให้ยานความรู้อันนี้มันเสื่อมไปจากดวงจิตนี่ <c oughs> ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจไม่มีอะไรนะถ้าพูดกันอย่างสั้นๆ น, นะมีแต่ความรู้อันเดียวนี่แหละเป็นเหตุใหญ่ทั้งหมดเลยถ้าควบคุมความรู้อันนี้ไว้ได้แล้วก็ได้หมดเลยเอาชนะได้หมดเอาชนะความโลภความโกรธความหลงมานะทิททติต่างๆได้ ใครดามาก็ไม่โกรธบัานี้เมื่อเอาชนะใจตัวเองได้แล้วใครสรรเสริญเยินนยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามแต่คนส่วนมากนะยากที่จะทำใจได้อย่างว่านี้นั่นแหละถ้าผูดด้ใดทำใจได้อย่างนี้นี่ก็นับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ ข้อที่ว่าอโกเทนชีเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอันนี้นะเราทำได้ไหมลองถามใจตัวเองดูนั่นแหละถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเทเจ้าอย่างแท้จริงอันผู้ที่ปฏิบัติได้หมายความว่า เวลามีเรื่องไม่ดีก็บในงามกระทั่งมามันก็หวั่นไหวเป็นธรรมดาหละแต่เมื่อรู้ตัวแล้วก็อดกัน้นมาหนี้จะไม่ยอมให้มันหวั่นไหวอยู่ยนั่นเรื่อยไปข่มใจละมันเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆเข้านี่กิเลสเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้มันก็มีแต่อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆออมันเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่า ป, ปล่อยใจให้วันไหวไปตามอย่างนั้นแล้วถึงแม้มีปัญญาอยู่อย่างไรมันก็ยังสอนจิตไม่ได้นี่มันต้องมีขันติทำเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติทางจิตใจดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต่างคนต่างตช่วยตัวเองให้เต็มความสามารถ ของตนของตนแล้วก็จะได้ประสบผลที่ตนมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้